بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ا ص ل ص ل ا อ والسلام على سيد ا ل م ลลอฮฺอัลลอฮฺุลล ب ه ฺอัลลอฮฺุลลอฮฺอ ل ลลอฮ ا ุ ا ลอฮฺอั إنك أنت عليم حكيم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ن ك و ن نميان خاسرين ربنا إننا سمعنا مناديه يناديلن إيمانن آمن بربكم فأمننا รั نا فقفلنا ظنوبنا و كفر عنا سيئاتنا و ت و ف ن ا من ر ا ر ربنا و آتنا ما وعدنا على ر س ل ك ولا تخزنا ي و م ا قيامة ن ك لا ت ل ف ميعاد اللهم ن ا ح ق حق ورزقنا ว َارَزُقْنَ รุษุ ب َ ا, أ, ا ع َ ه ُ و َ أ َ ر ِ ن ั ا باط ิ ا บัติล ل าววารุษุกนิฉตินาบะมิฉัพนิศรีวศรีอัมรีวัพลูกดตะَิِิสานิยฟกหูควูลีข้อ 206. ข้อ 206. ْ้อ 206. ข้อ 206. ข้อ 206. َْ้ 206. ข้อ 206. ข้อ 206. ขَอ 206. ข้อ 206. ข้อَ 0 6ข้อ2 0 ر ข้อ 206. ข้อ 206. ข้อ 206. ข้อ 206. ข้อ 206. ข้อ2 َ 6ข้อ 206. ข้อ 206. ข้ ي 206. ข้อ 206. ข้อ ق ل, ل, ل ق السماء بالرماح و ن ِ ل الملائكة تنزيل الملقى يوم إ ذ ِ الحق للرحمن وكان يوما عل كافرين عسيرا يوم يعظ الظالم على يديه ويقول يا ليتني ويقول يا ليتني تخذ ما أرسل لسبيلا ياويلت يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا قليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان لِإنسان خذولا ท่ามกลางเวลาวันนี้เรามาอยู่เบื้องหน้าอายะห์ของอัลลอฮฺสุบฮฺฮะตลลาที่ดูเหมือนว่าจะอัลลอฮฺสุบฮฺฮะตัลลานำเราผ่านอายะห์ของพระองค์ที่ดูเหมือนว่าจะเข้มขน้น ดูเหมือนว่าจะนําเราเข้าไปสู่ฉากที่ให้เห็นภาพอะไรหลายสิ่งหลายอย่างโดยเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ในตอนต้นสุรทิศที่เราได้ทราบที่เราได้ย้ําครั้งแล้วครั้งเล่า ว, ว่าบรรดาพวกมุสลิกีได้นะครับได้ตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสังเกต ได้สแสดงความหยิงย่งยโส โ, โอหังได้ใส่ร้ายปลายศีรษะนบีสุลต่านของอเลสลมแล้วก็ปยกคำพูดที่เป็นคําพูดนะครับอันเลวร้ายที่มนุษย์คนหนึ่งที่เป็นผู้ที่อัลลอฮฺสัมหัตลาได้สร้างนั้นไม่สมควรที่จะพูดนะครับได้พูดกล่าวหาว่าอันกุรานั้นเป็นความมดเท็จได้พูดว่าอันกรานั้นเป็นอสซาติสเป็นนิทานปรำประลา นะครับแล้วก็ยังได้กล่าวหาท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิสแลมดังที่เราได้ทราบมาแล้วต่อมาพวกเขาได้โต้แย้งแล้วพวกเขาได้นะครับล่วงละเมิดนะครับซึ่งการล่วงละเมิดที่เลวร้ายที่น่าเกลียดที่สุดนั่นก็คือการล่วงละเมิดต่อพระผู้เป็นเจ้าด้วยการเสนอแนะนะครับด้วยการเสนอแนะต่ออัลลอฮฺมะฮ์ตะลานะครับเสนอแนะกับท่านนาบีส ล, ลลัลลอฮะลัยฮิสแลม นะครับันะบว่าจะนะว่าให้อัลลอซมะฮัตลานั้นได้ประทานนะครับเอให้อัลลอซมะฮตลนั้นส่งมาลากัดมาพร้อมกับท่านนาบีสลลัลฮุอะลัยสุลลัมมาช่วยเหลือท่านนาบีสลลัลฮุอะลัยสลลัมแล้วก็เยาะเย้ยท่านนาบีสลลัลฮุอะลัยลลัมว่าเป็นคนนะครับที่กินอาหารแล้วก็เดินตลาดเหมือนกับพวกเขาเรามีเป็นต้นแล้วก็ท่าทายนะครับให้อัลลอซมะฮตลาส่งมาลากั ส่งมาลายการลงมาจากพวกเขาส่งมาลายการลงมาหาพวกเขาขอนหน้านี้นะครับเราละอุนซิละอาไลนันมาละอิกาตุเอานารอรับบานะครับแล้วก็ที่สุดของที่สุดก็คือว่าพวกเขานะครับได้พูดจาด้วยถ้อยคำที่แสดงถึงความหยิ่งยโสโอหังอย่างสูงสุดอย่างเลวร้ายที่สุดก็คือว่า ต้องการที่จะเห็นอัลลอฮฺสุบฮฺฮะตัลลาเอานารอรบัญญัติให้นะครับให้พวกเขาได้เห็นอัลลอฮฺสุบฮฺฮะตัลลาก็เราได้อธิบายไปนะครับในวันที่ผ่านมาแล้วมาถึงวันเวลาที่อัลลอฮฺสุบฮฺฮะตัลลานะครับจะให้พวกเขาได้ประจักษ์ถึงความจริงที่พวกเขาขอความจริงที่พวกเขาท้าทายความจริงที่พวกเขาได้แสดงความอาหังการ ความจริงเรื่องมาอะไรก็ความจริงเรื่องการของการตอบแทนเรื่องของการวิพากษาตอบแทนและจะให้พวกเขา er, ได้สอนบทเรียนที่จะให้พวกเขาได้สํานึกแต่การสํานึกนั้นก็ดูเหมือนว่าจะเป็นการสํานึกที่สายเกินไปสําหรับพวกเขานะครับเพราะวันเวลาที่พวกเขาสํานึกพรวเวลาที่พวกเขานะครับเสียใจนั้นมันเป็นเวลาวันเวลาที่พวกเขาถอยหลังกลับมาไม่ได้นะครับกลับมาไม่ได้นะครับในการที่จะ เปลี่ยนแปลงในการที่จะแก้ไขนะครับเพราะวันนั้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างได้จบสิ้นลงนะครับประกาศเสร็จของลอสวาฮาตาลาครประกาศกองลอสวาฮาตาลานะครับได้มีขึ้นการวิพากษษาตอบแทนฉากของการวิพากษษาตอบแทนได้เริ่มขึ้นบางแล้วดังที่เราได้ทราบในอายะห์ก่อนหน้านี้และนะครับอายะห์ยีวันนี้26 27แล้วก็28่ยี่ถึงยีาเราก็จะเห็นนะครับภาพ ของวานกลยดมะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพที่เห็นชัดๆภาพที่ถูกภาพที่นะครับถูกซูมนะถูกซูมเข้ามาใกล้ที่สุดก็คือภาพของผู้ปฏิเสธผู้ปฏิเสธที่ถาทายลอฮ์ยอดเยียท่านอัลสุลลอสสัลลอห์ฮุวาเลลัมเล่ากล่าวล่วงต่อความยิ่งใหญ่นะครับต่อความเกรียงไกรของอัลลอฮ์สุลฮะตาลาในฐานะที่เป็นผู้สร้างนะครับย่อมไม่ไดชะกุสซามะ ยนะ์มทชรรักจุ้้้้้าน้้น้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้อ้้อ้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้าก้กล่าวถึง ไม่ใช่ยกเมฆไม่ใช่เรื่องนิทานปรัมปราแต่คือความจริงหลายหลายความจริงนะครับมนุษย์นะครับได้ค้นพบนะครับมนุษย์ต่างยอมรับว่านั่นคือความจริงและหนึ่งในความจริงอันนั้นก็คือตาชกโกย่อมตาชกโกกุะะกกกสลมาวันที่กาณาวสารมาถึงนั้นฟ้าจะแตกฟ้าจะแยกออกนั่นก็คือภาวะของการสูญสลายภาวะของการล่มนะครับในระบบ นะครับที่เป็นอยู่ระบบของจักรวาล น, นะครับระบบของอะไรครับระบบของจักรวาลระบบของการโคโจรระบบนะครับที่อยู่ในอวกาศทั้งโลกนะครับดาวเคราะห์ดาวฤกษ์ต่างๆชั้นฟ้าแตกย่ามจะชกกุกุสามะอุบิลกอมัมนครับพร้อมกับอุกอมัมหมอกควันนะครับพร้อมกับหมอกควัน วันนุิลันมาละอิกะวันนุสิลันละนะครับมืกเหตุการณ์นั้นขึ้น เ, เกิดขึ้นบรรดามาลาิกะก็จะนะครับทยอยกันลงมาได้รับคำสั่งจากอลัลลอฮฺสุฮาตาลาได้ ร, รับคำสั่งจากรพระบิดเจ้าให้นะครับแสดงตนออกมานะครับให้ลงมานุสิลันมาละอิกะทยอยนะครับนะถูกให้ทยอยลงมาตันซีลานะครับ คงไม่ต้องพูดถึงความมากนะครับในอายะห์เกาะลอสมาฮัตลาในอายะห์อื่นๆที่เราจะได้อ่านสักว่าเดี๋ยวนะครับที่เกี่ยวข้องกับการลงมาของบรรดา马来กาอัลมุนกุยเมาอิดีนอิลฮักุลิรฮ์มานในวันนั้นอำนาจนะครับอัลมุนนะครับอำนาจหรืออาณาจักรความเป็นเจ้าของทั้งหมดอำนาจในการบริหารจัด ก, การทั้งหมดเป็นสิทธินะครับ เป็นสิทธิโดยแท้ของอัลลอฮฺสวลต่านละนะครับของอัลลอฮฺสวลต่าละแต่พระองค์ใช้นามตัวนี้ว่าฤทธิ์รัมานลิ์อัลรัมานผู้ที่ทรงเปี่ยมล้นด้วยความเมตตานะครับด้วยความเมตตากรุณานะครับสิทธิในวันนั้นทําไมอัลลอฮฺสุลต่าละจึงประกาศครั้งแล้วครั้งเล่าและครั้งนี้ประกาศนะครับความจริงบนโลกนี้ก็นะครับในอายะที่สองที่ได้ผ่านมานะอัลลอดีละฮุมอัลลอดีละฮุนมุนนะครับ Alladilahumunkussama wa tihwan alam สหรับอัลลอฮฺสุลตาระหรือกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺสุลตาระอํานาจในการบริหารจัดการของอัลลอฮฺสุลตาระหรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คืออํานาจอธิปไตยนะครับอํานาจสูงสุดนั้นเป็นของอัลลอฮฺสุลตาระนะครับที่ไหนครับมุนกุสซามาวาทิวันอัลบนะครับอำนาจในชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินและใน ayah นี้มาถึงวันเกียร์มัดอัลลอฮฺสุลตาระบอกว่าในวันนั้นในวันเกียร์มัด นะครับในวันการอวสานทุกอย่างได้จบลงและอัลลอฮฺสุฮะตลาก็ได้ประกาศว่าอัลมุนคุยามาอีดินินฮักกุลราห์มนเป็นกรรมสิทธิ์เป็นเอกสิทธิ์นะครับเป็นอภิสิทธิ์ของอัลลอฮฺสุลฮะตลาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นของอัลราะห์มานแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นว่ากันใยามันอัลันกาฟิรีนาอาซีรอวันนั้น มันเป็นวันที่ยากยิ่งอาซีรอแปล ว, ว่ายากยิ่งนะครับยากยิ่งสําหรับใครครับอะลันกาฟิรีนสําหรับเป็นยากเป็นความยากยิ่งความยากที่จะเกิดโทษแก่บรรดาผู้ปฏิเสธอะลันกาฟิรีนเป็นความยากนะครับยิ่งสําหรับบรรดาผู้ปฏิเสธ ย์มะยาบย์ย์มะยาบ์บฏทาลิมูอลายาดนะครับนี่เป็นเอ่อเป็นข้อความเป็นภาษาที่ถูกใช้นะครับที่บง่งบอกถึงนะครับอะไรบางอย่างความเสียใจความเจ็บใจนะครับที่จะเกิดขึ้นกับอัลกาฟิรินย์ย์มะยาบ์บฏทาลิมู วันที่ผู้อาธรรมอวบลิมนะครับผู้ที่อาธรรมผู้ที่ละเมิดนะครับต่อหล่อผู้ที่ไม่ศรัทธาใน Allah, ี่ยหลอแลละเมดิดนะครับคำสั่งใช้สังส่งห้ามของพระองค์ละเมดิดในสิ่งที่อัลลอฮฺสัาตาลาได้บัญญัติโยมยเอาบุตรบริมจนกระทั่งไปถึงผู้ที่ก่อการอาธรรมบนหน้าแผ่นดิน ยาอาบุตรลิมอาลายาไดที่คนวาลิมจะกัดสองมือของตัวเองย่อาบุตรวลิมอาลายาได้กัดสองมือของตัวเองนะครับซึ่งแสดงถึงความโกรธแสดงถึงความเจ็บใจไรมีนั่นไรนาโกรธความเจ็บใจนะครับเจ็บใจใครครับ ย่าคุยอะไเยตะนีเจ็บใจตัวเองวันที่ความจริงปรากฏเนี่ยวันที่ความจริงปรากฏสิ่งนะครับทิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นก็คือว่านะครับคนที่ทําความผิดนั้นเจ็บใจตัวเองนะครับยาเลยตะนีเจ็บใจตัวเองที่อัตขืดอยาเลยตะนีตะขืดตมาอัลรัสูลีบิลลเรื่องหนึ่งที่สําคัญมาก ที่เจ็บใจเจ็บใจว่าโอ้รู้สึกเสียใจอย่างยิ่งเจ็บใจอย่างยิ่งหนึ่งในความเจ็บใจอันนั้นเสียใจอันนั้นเสียใจที่ไม่มีวันได้แก้ตัวอีกเพราะวันนั้นมันสิ้นสุดทุกอย่างมันสิ้นสุดแล้วเสียใจเรื่องอะไรครับเสียใจที่ไม่ได้ปฏิบัติตามอัลลอฮฺสุลรอัลลอฮฺหัวใลมไม่ได้เดินไปมาอัลอสลนะครับ ไม่ได้เดินทางไปพร้องกับท wow, ่าน رسول อลลอฮฺซลอซลอหัอะลัยฮิวะสัลลัมุนนะของท่านนบีซลอหัวอะลัยฮิวัลลัมเดินคนละทางกับสิ่งที่ท่านนบีซลอหัวอะลัยฮิวสัลลัมได้สอนเดินคนละวิถีกับสิ่งที่ท่านนบีซลอหัวอะลัยฮิวัลลัมได้บอกยาเลิตานีลาเลตานิตทักขุตมะอัลราซูลีซาบีลานี่ถ้าฉันโอ้วความช่าง ยังเสียดายเหลือเกินช่างเป็นสิ่งที่น่าเศร้าเสียใจเหลือเกินที่ฉันไม่ได้นะครับถ้าหากว่าฉันได้เดินพร้อมกับท่านรสุลลสลลหอเหตุเดินพร้อมกับท่านรสุลลสลลหอเหตุลองดูดิครับมันมันเป็นอะไรที่ลึกซึ้งมากท่านรสุลลสลลหอลหตุจะล้ำพาไปไหนพาเราไปสวรรค์ ทุกอย่างการของท่านรสุลลาะสัลลัลลอฮฺอะลัยฮิสแลมคอยบอกเราคอยชวนเราคอยแนะนําเราคอยตักเตือนเราคอยห้ามเราคอยใช้เราทุกอย่างบนวิถีของท่านที่จะพาเราไปสู่สวรรค์ถึงวันหนึ่งนะถึงวันหนึ่งเมื่อถึงวันเกียรติ์ถ้าในโลกนี้เราเดินคนละทางกับท่านรสุลลาะสัลลัลลอฮฺอะลัยฮิสแลมสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือนี่แหละครับ ที่เราจะเสียใจคนอื่นยังไม่แน่ไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครอาจจะเป็นคนใกล้ชิดกับเราอาจจะเป็นเพื่อนร่วมทำงานอาจจะเป็นครูบาอาจารย์อาจจะเป็นใครต่อใครเยอะแยะมากมายอาจจะเป็นเจ้านายนะครับเป็นใครต่อใครแน่ใจได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นไมว่าถ้าเดินไปกับเขาก็จะพาเราไปสู่สวรรค์ของอัลลอฮละอ ไม่แน่ใจไม่ยักินบางครั้งก็ออกนอกเส้นทางเหมือนกับเราแต่ราสุลลาะสุลลาะฮวะเลลัมพาเราไปทางเดียวเท่านั้นคือเส้นทางวะอินนักกนะละอัลลอฮเสรอเตมุสซกีมวะอินนักะอัลลอฮรอเตมุสซกีมในแ่อื่นว่าทั้ลอสาฮฺตาลาร้องว่าแท้จริงเจ้าเนี่ยอยู่บนเส้นทางอันเที่ยงตรง ด mm ังนั้นคนที่ไม่ได้เดินไปพร้อมกับท่านศาสดาสโลตส์ลามวันนั้นจะเป็นวันที่เสียใจที่สุดว่าไม่ได้เดินไปพร้อมกับท่านศาสดาสโลตส์ลามอิดะกะดูมะอัลรอสูลิซาบิลัยลาเลตานีน่าเศร้าเสียใจเหลือเกินเจ็บใจตัวเองเสียใจเ้อากับเจ็บใจเจ็บปวดมากที่ไม่เดินไปพร้อมกับท่านศาสดาสโลตส์ลามคนเราเมื่อความจริงได้ประจักษ สักวันหนึ่งนะครับเหมือนกับว่าที่พ่อแม่สอนเราแต่เราไม่ได้เอาคําเราไม่ได้ใส่ใจในคําสั่งสอนของพ่อแม่วันหนึ่งที่นะครับเมื่อมันมันถึงวันหนึ่งว่าเราต้องไปประสบนะครับนะบางคนไปเด็กบางคนไปติดคุกติดตราดซึ่งพ่อแม่ก็ห้ามแล้วก็บอกบอกแล้ววันหนึ่งวันนั้นเขาก็จะคิดได้ว่าเนี่ยครับถ้าเขาเติอนตามพ่อแม่คงคงไม่เข้าตารางแม้ว่าตรรษีของอัลลอฮฺสวาห์ฮัตละก็ชัดเจนครับแต่ว่า สาบสาบของคนเอาลอสซาลาเห็นสับไม่เห็นเหตุว่าที่เขาเป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะอย่างนี้ที่เขาต้องต้องต้องต้องประสบกับความเลวร้ายเนี่ยเพราะเดินคนละทางกับท่านอัลลอฮไม่เดินไปพร้อมกับท่านอัลลอฮมาละซมาลซชีวิตของเราชีวิตของมุสลิมเนี่ยเป็นชีวิตนะครับเป็นการเดินทางพร้อมกับระซูลอัซยรอัซซยรมาละซลลัลลอฮวะุสัลลัมวิถีชีวิตของมุสลิมคือชีวิต มาอะล่าซุนชีวิตพร้อมกับทารุณสุลลลลฮอัลลอฮฺอลมอัลลอฮุวตลลาใช้ว่าพร้อมอาซูนจากไปแล้วแต่ทางของท่านยังอยู่เดินพร้อมกับทารุลลลลฮอลฮลมดังนั้นเราเรียกร้องมุสลิมทั้งหลายว่ามาเถิดมาเดินไปพร้อมกับทารุลลลลฮอลฮลมมาเดินพร้อมกับทารุลลาะสุลลฮอลฮลมเพื่อว่าเราจะได้ไปสู่สวรรค์ของอัลลอฮสุวตลลา เราซูลไม่เคยหลอกลวงเราเราซูลปรารถนาดีต่อเราเราซูลปรารถนาที่จะให้เราได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺสุลต่านนะครับ น, ะอนอะอัลกุรอรินะสิ่งที่เราเหน็ดเหนื่อยเรื่อยากลำบากเนี่ยท่านอัลซูลลอฮฺสุลต่ลานเห็นอกเห็นใจเราฮาริสอาลัยกุมบินมุมินินะเราอุฟมรัก Ango, gesture, in เราอูฟุรักิมท่าน رسول สุลามีความปรารถนาอย่างยิ่งยวดหารีสุปรารถนาอย่างยิ่งยวดที่จะให้ความดีกับเราบินมุมินีนเราอูฟุรักิมอายะสุดท้ายของสุรอัตโตะและก็ท่าน ر س و ลเป็นผู้ที่เราอูฟเป็นผู้ที่เอนดูรัีเมตากับอันบันดามุมินี ชฉล้อเป็น <award> ค <dragging> uh ํา <off> ที่เราจะต้องจําว่าเดินไปพร้อมกับตลอดสลดๆวันนี้นะคนที่ปฏิเสธได้เขาได้เปิดเผยบทเรียนบทเรียนมันเป็นบทเรียนจากคนหลงจะเรียกได้ว่าเป็นบทเรียนจากคนที่หลงผิด เหมือนกับเราไปเรียนคนบทเรียนจากคนที่กำลังเข้าสู่หลักประหารก็สอนเรานะครับว่ามันสายมันสายไปแล้วสำหรับเขาแต่เขาบอกเราบางอะไรบางสิ่งบางอย่างว่านี่ที่เราเป็นที่ฉันเป็นอย่างเนี้ยเพราะอย่างนี้นี่ก็เหมือนกันครับอโลสวัตลาชัยเห็นว่าชาวนรกที่เขาต้องตกนรกเนี่ยเพราะเหตุอะไรนะครับเราได้เก็บเรียนอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบาาน สาเหตุแรกไม่เดินตามรสุนสาเหตุที่สองยาไวล่าตาเลตานีอันนี้การทำนิตัวเองอย่างรุนแรงการประนามตัวเองอย่างรุนแรงหรือจะเรียกว่าการสาบแช่งตัวเองอย่างรุนแรงโอ้ความหายะนะต้องมีแก่ฉัน คำเหล่านี้มีอยู่ในตุกษ า, าเป็นคำอุทานที่บ่งบอกนะครับถึงการตำหนิตัวเองอย่างรุนแรงยาไลทานียาไวลัตาวความหายนะจงไวลัตาไลนความไหยนะจงมีแก่ฉันยาไวลัตาไลทานี ทักดั้อ่ะทักดฟุลานั้นขัลลีลาล้มอัตดั้นฟุลานั้นนี่ฉันนี่ถ้าหาว่าฉันไม่เอาฟุล่านฟุล่านคนหลาคนนั้นเราไม่บอกชื่อเพราะมันเกิดขึ้นได้ทุกคนฟุล่านนั้นก็คือถ้าฉันไม่เอานายกมาเป็นคัลลีนคัลลีน ถามกูคอรีอนเลยแปลว่า อ, อะไรคอรีนี่ไม่ใช่เพื่อนธรรมดานะครับเป็นมิตรแท้เป็นเพื่อนแท้เพื่อนกินเพื่อนตายมึงไปไหนกูไปด้วยมึงลงเหวกูลงด้วยมึงนะครับมึงลงทะเลกูลงด้วยลงห้วยกูลงด้วยขึ้นเขากูลงด้วยไปด้วยกันไปด้วยกันนะเป็นตายได้ดียังไงถ้ามึงตายก็ตายกูยอมตายแทนมึงได้ เนี่ยครับคลิลในันกรนุรอานมีบุคคลหนึ่งที่ได้รับเกียรติให้ใช้คบนี้เป็นคอลลิ ล, ลุลลอฮเป็นสหายของอัลลอฮ์สุบฮัดละลลิลุลลอฮสหายของอัลลอฮ์สุบฮัดละใครครับอิบราฮีมนบีอิบราฮีมอะลัยฮสลา อิบราฮิมขลิลลอละวันท่านนบีมูซาได้รับนะครับได้รับเกียรติให้ได้ชื่อว่าเป็นกาลีมุลลอเป็นผู้เี่ยร์ลอสวาฮัตลาพูดด้วยพูดโดยตรงอัลลอซวาฮัตลาพูดโดยตรงกว่าท่านนบีมูซ่าในศาสนาเลยได้ชื่อว่าเป็นกาลีมุลลอ โอ้นี่ถ้าฉันไม่เอานายกอนะนายกอเนี่ยนายกอมันมงบอกว่านะครับใครก็ได้ใครก็ได้เพราะบางคนชื่อที่แตกต่างคนนี้มีเพื่อนคนนั้นมีเพื่อนคนนี้ต่างคนก็มีมีเพื่อนนะยะไรจัยะไวลัตจนไรจันีลำอัตคิดฟุลานั่นขลีละถ้าฉันไม่เอาคนคนนั้นเป็นเพื่อนเป็นมิตรมัน ดีขนาดไหนตอนที่อยู่บนดุนยานี้โอ้เพื่อนคนนี้สุดยอดม า, า่นฉับโลกแกเป็นเพื่อนแท้ของฉันไม่ได้แล้วเพื่อนแท้ยิ่งกว่าพ่อแม่ที่ให้กําเนิดเขามาได้สักไปกินไม่ได้นอนไม่หลับถ้าไม่ได้ติดต่อถ้าไม่เจอกับเพื่อนคนนี้มันเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆนี่คือคืออะไรครับชีวิต ชีวิช่วงหนึ่งของพวกคนช่วงช่วงหนึ่งของคนเน่ยครับที่เพื่อนสําคัญมากคือช่วงวัยรุนถ้าเราถ้าเราคิดต่อไปว่าคนเนี่หลงตอนไหนหลงทางตอนไหนตอนที่ว่าเพื่อนเนี่ยสาคัญช่วเพื่อนที่สําคัญตอนไหนตอนวัยรุ่นมักจะหลงตอนวัยรุ่นแล้วถ้าหลงตอนวัยรุ่นเนี่ยโอโลหัวบัดมันเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานวัยหนุ่มเนี่ยเขาบวกเลขเห็นว่าวัยเด็ก วัยเด็กไม่กี่ปีสบนะจากแรกเกิดนีงก็ตั้งแล้ก็วัยทารกส่วนหนึ่งแวัยเด็กวัยทารกวัยเด็กเนี่ยไปถึงสบนะเอาสบสองสสาสสปีจากสิบสามปีไปถึงเท่าไหร่สี่สิบสมมติสี่สิบนะกี่ปี ฮะ็ huh? ปีนั่นคือช่วงวัยรุ่นช่วงของคนวัยรุ่นและวัยหนุ่มสาวยาวที่สุดถ้าหลงช่วงนั้นคือและช่วงนั้นคือเพื่อนเนี่ยเพื่อนสาคัญมากหลังจากนั้นหลังจากสี่สิบก็จะปลีกตัวจากเพื่อนมึงไปทางกูปงไปทางนะเข้าหาความสงบของชีวิตนะไม่สนใจอะไรแล้ว นะอาชีพการงานบางคนก็มีลูกแม่เต้าต้องดูแลครอบครัวนะต้องทำมีอาชีพที่มันคงไม่มีส น, สนใจจะอนั่งกินน้ำชากับเพื่อนถ้าคนสี่สิบแล้ว6กสิบแล้วยังนั่งอยู่ตามร้านน้ำชาวั น, ว, นวันนั่งร้านน้ำชาเนี่ยน่าคิดคนนั่งคนมันไม่มีเวลาแล้วหลังจากสี่สิบแล้วในหาดีสิสบางฮัดดิสบา ถ้าหากว่ายังไม่กำหนดไม่สามารถที่จะกำหนดชีพเป็นชีตายได้ในตอน4ี่สิบนี่คือจบแล้วจบแล้วมีหะ ด, ดิษคิดยด้ไงคือประเมินไงประเมินจากวันเวลาที่นะ มันในวันเวลานั้นใช่ไหมเราอยู่กับการเรียนถ้าเราอยู่โรงเรียนเนี่ยสิบสามอาก็เข้าก็เข้ามอหนึ่งนะเริ่มเข้าสู่วัยรุน่นอะไรต่างๆก็เข้ามาในชีวิตไปมอหนึ่งไปถึงมอห้ามอหกนะไปถึง 5, มอห้ามอหกเข้ามหาวิทยาลัยเข้ามาหาวิทยาลัยนะถ้าเรียนอย่างต่อเ น, นื่องสี่สิบปีเนี่ยด็อกเตอร์แล้วแน่นอนมันคือได้ทํางานแล้วได้ซ้ําไปด็อกเตอร์เนี่ยเราลองนับดูอ่ะยี่สมมุติว่า เออไไหบอายุปด้สิปด c จบปญญาตีฮะยีิบสาจบปญญาตีอ่าปริญญาโทอีกสองปีนะเรียนแบบคือเรียนเรียนยิงๆไม่ใช่เรียนเล่นนะยีอ่าปริญญาเอกอีกหปีไดไหมส32สองสาสไปถึงก็ทำงานแล้ว เกินเงินดุงเกินเดือนอะไรต่างแล้วมีครอบครัวมีครอบครัวอะไรเสร็จสักเรแล้วตรงนี้แหละวัยนี้แหละมันจะชี้ชี้เป็นชี้ตายชีช้ชะตากรรมของชีวิตเป็นวัยเวลาที่มากที่สุดวันเวลาที่มากที่สุดยาวที่สุดมีคุณภาพมากที่สุด จะใช้ประโยชน์มากที่สุดจะดีหรือจะเลวตรงนี้แหละเป็นตัวกำหนดถ้าหลังจากนั้นถ้าไปทำสำนึกตอน60ใช่อัลลอ์อาจจะอัลลอฮ์นะครับ Allah อัลลอฮ์รับการตอบาตตัวตอแต่ว่าเวลามันเหลือน้อยไงเวลามันเหลือน้อยนะถ้าเส้นถ้า60เนี่ยก็คือเส้นแดงนะเส้นแดงแล้วผิดเส้นแดงแล้วเลย60ยังไม่ได้ปรับตัวเองอัลลห นี่คือคือคือสิ่งที่เราต้องต้องต้องคิดไปว่าเพื่อนนี่มีบทบาทสําคัญมากทําให้คนคนหนึ่งต้องตกนรกเพราะเพื่อน <c oughs> นี่ชัดจเจนอาอยันี่ชัดเจมและที่ต้องมีใครไม่ได้เลยเพราะตัวเองเลือกเองเลยคําคําบอกว่า ว, ว่าว่าโอ้ววความไหายาณ่นนะความวิบัติจงมีแก่ข้าแต่แก่แก่แกตัวข้าเอง นี่ถ้าไม่ยึดไม่เอาเพื่อนคนนั้นไม่โทษใครเลยพ่อแม่ไม่ได้บอกว่าแกไปคบเพื่อนคนนั้นไม่มีครูไม่ได้ใช้ว่าไปคบเพื่อนคนนั้นพ่อแม่ก็บอกว่าคบเพื่อนที่ดีนะลูกพ่อครูก็บอกว่าพบหาเพื่อนที่ดีนะอย่าไปพบเพื่อนที่ไม่มีใครๆก็บอกบอกจนกระทั่งว่านะไม่รู้จะบอกยังไงว่าให้หาเพื่อนที่ดีนบีก็สอนว่าพันยันสุดอาหารดุกมันไมาอยู่ขอลยหรืยงดูที่ว่าเราจะ เอาใครเป็นเพื่อนนะบาดมาแล้วอธิบายมาแล้วเรื่องเพื่อนนะครับเรื่องเพื่อนเรื่องยาลิสอโซเลยเรื่องเพื่อนที่ดีอ้าวสองสองนะหมดบาทของเพื่อนเราก็ดอาบลแนีอานิซิก์ทาให้ฉันหลง ออกไปจากอัล์จากทางนำของอัลลอสวาฮาตลลาราน่าแห่งทางน้ำของอัลลอสวาฮาตัลลาคืออะไรครับข้าวจิกคืออันกุรอานคืออันกุรอานลุ้งไปจากเส้นทางของอันกุรอานหละซุนอายะที่ยี่สบเอ็เรื่องละซุนอายะนี้ลุไปยัก الذكر ้นะอั ل ลอฮฺน hm> ี่ละคัตอัลลอฮฺนี่ เอ็มนอีกทีนึงบายจัดเก็ฮวนอัก <k> ุรอานคืออัลกุรอานอันิกเห็นไครับมาแล้วอายะตียี uh ่สิบแปดราสูญอายะตีสองอายะี่ะไรอายะีแปอายะที่นะอายะีี่สิเกายี่สิบเจ็ดเราสูญย่าอันกุรอานระหว่างนั้นคือเพื่อนเพื่อนเป็นสาเหตุ เราซ oui er. ูนก um. ็ไม pues ่เอาเพื่อนพาไม่ให้เดินตามเราซูนไม่ให้เดินนะครับให้หลงไปจากนะครับอันลกุรอานล้วกอันอวัลลานีอันนี้อัลกุรออิจจาอันีอัลรอานอัลกุรอานสัมผัตะหนักรถานอันกุรอานมาอันีอันอิจจาอันีมาแล้วมาอันาลอัลลอฮฺอัล มันสะท้อนให้เห็นสภาพของชีวิตของมุสลิมเนี่ยอยู่กับอน آن, ันกุรอานวันๆอยู่กับอันกุรอานได้ยินเสียงเขาพูดถึงอันกุรอานได้ยินเสียงการอ่านอันกุรอานเข้ามสัสยนะิดก็เห็นอันกุรอานจะนี่อันกุรอานนี่ยะนีมหาฉันแล้วเนี่ยอันกุรอานมหาฉันแต่ว่าฉันเอาแบบนี้อะนิดสิก่อเพื่อนี่พาไปอื่นซนะอัลลอฮฺอัลลอฮฺอันกุรอานนี่ใกล้เรามากอลาตล ให้อันการานอยู่ใกล้เราแต่ว่าเราไม่ได้เอาว่กานัชัยตนุลอินซานีคซูลาและชัยตอ น, นั้นเป็นผู้ที่ทรยศทรยศต่อมนุษย์โอกาสอะไรที่อลัลถมาตลากล่าวถึงชัยตอนตรงนี้เมื่อกี้พูดถึงเพื่อน ไม่พูดถึงใช้ตอนเอาเชคการอาธิบายว่าใช้ตอนมีสองชตอนมีนันจินวันอินส์นั้นเพื่อนที่พาให้เดินหันไม่ได้ให้เราได้ตามไปพร้อมกับเราซูดเพื่อนที่พาเราออกจากอัซิกจากอังกูรานี่ใช้ตอนใช้ตอนนั้นมินมินั น, นอะไรครับมินันอินส์ใช้ตอนที่เป็นมนุษย์ ใึงชตอนที่เป็นมนุษย์และไม่ปฏิเสธว่าเป็นชยตอนชัตอนจริงที่มันนันจินชัตอนนี้ก็คือว่ามันทรยศนะครับต่อมนุษย์ นึกรรกระซิบนึกะซิบแต่ที่ใบนะครับและกล่าวถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องในอายะนี้นะครับ <c oughs> มีบุคคลที่ตัวตัวไม่อาจจะไม่เรียกว่าตัวละครหรอกครับ <c oughs> เป็นตัวจริงที่เป็นเป็นต้นแบบ ที่มันเกิดเรื่องนี้ขึ้นเรื่องที่เราอ่านผ่านมาเนี่ยว่าไม่ได้ตามราซูนแล้วก็ไม่ได้เอาอันกุรานบุคคลคนนั้นมีชื่อว่า อ, บบ อ, อ, บบอัคบะ bin abi m u a i อัครบะ bin abi muaid คนคนนี้ชอบไปนั่งกับท่านน บ, บีนสัลลัลลอฮุอะลัยซูละ ชอบไปนั่งคุยไปนั่งฟังท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิสแลมไปนั่งฟังท่านนบีลลัลลอฮุอะลัยฮิสลมสิ่งที่ท่านนบีสลลัลลอฮุอะลัยฮิลมให้ฟังให้ได้ยินคืออันกุรอานนะครับบางครั้งก็ทานอาหารด้วยกันโอ้ประทับใจในตัวท่านนบีสลลัลลอฮุอะลัยฮิลมก้าวชาดะออิสลาม เกิอะไรขึ้นครับมีคนอีกคนหนึ่งเข้ามามีบทบาทนั่นก็คืออุบัยบินคลัฟอุบัยบินคลัฟไอ้ น, นี่หัวโจเป็นแกนนำของพวกปฏิเสธซึ่งก็เป็นเพื่อนกับ ใครครับกับอัคบอัคบบอกว่าฟ้าัตบหัวว่าลาสบัตะฟ้าว่าลา ولكن อัลลอัลลอฮ์ะเป็นจากุ้งมิวะหัวฟีบ ف ทีฟัสต้ายิดฟัสต้ายิฟัสต้ายิต์มินหัลาหั กูไม่เป็นขลศได้ตาําหน่หมดท่าหรือไงไปตามมูฮัมหมัดซะแล้วนะกูไม่ บ, บอกเกรงใจมูฮัมหมัดนั่งอะไรด้วยกันอะไรต่างเนี่ยครับเกรงใจพอคนเราพอเราใกล้ชิดกันก็เกรงใจ ก, ก, ก็กกกกล่าวสาหัสได้ไปอย่างนั้นอย่างนั้นแหละนะเกรงใจกัน ตกลง ว, นะว่าตกลงตัดนะแต่อวยยังไม่พอใจอวยบอกว่าจะให้ฉันยอมรับแกเนี่ยไปแกไปเหยียบคอไปเลยไปเหยียบคอมหัมมัด จาได้พิสูจน์ว่าจะได้พิสูจน์ว่าแกนี่ไม่เอาด้วยกับมันจริงๆแล้วก็เกลียดมันมรมิลลาลลัลลอฮุอะลัยฮิวสัลลัมฮะมัสซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวสัลลัมอักบะก็ไปไปพบท่านนบีลลัลลอฮุอะลัยฮิวัลลัมไปพบกับทาท่านนบีกำลังสุญูด ที่ดารุนัดวาบัฟานซาลิกต้องทตามที่อุบายได้บอกนะทำตามที่อุบายได้บอกบัฟานซาลิกฝะบาทอะลัยซัลลัตุวาสซลลมลาอันกาะกะ خار จามิมค์กะอิลาอาลูตุรักสกะบิสเซย์นันบีก็ บางครั้งท่านนบีสลโลโลและสลามก็ไม่ได้อ่อนคอให้กับคนพวกนี้คนที่เข้ารับอิสลามแล้วหันหลังให้กับอิสลามนี่ถือเป็นความผิดที่ที่ใหญ่มากการการะทาของอุบายครั้งนี้ท่านนบีสลโลโลและสลามก็ได้ประกาศบอกว่าอย่าให้ท่านเจอข้างนอกมักกะฮั น, นฉันฟันคอท่านแน่เลยฟันหัวเน่ เจอกัน neau มัก้ามาอะไรถามว่าอะไรเกิดขึ้นฝาอัยียอมันบัดดรินฝ่าอามารอาลียันฝะกตาละหูทอมากเกิดสงครามบัดาลในสงครามบัดาลอกบังถูกจับเป็นเชลยท่านนบีสโลัลอิสลามสั่งให้อาลีละหันตัดหัวของ อกบะจบบทบาทอีกคนหนึ่งก็ตระหัวเพรอะอุบายนบิอออุบายเย็นบิโอูดินแล้วก็ในสงครามอุคุอุบายอีกคนก็โดนแทงไม่ตายขาดที่ครับฟราร์ญาอิลาม ก, ก็ว่ามากกลับไปตายที่มักกะตายทั้งสองคน นี่คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอายะนี้องค์ศาลาฉายเห็นภาพว่าอเคบะในวันที่ต้องไปยืนในวันที่ในวันแห่งการพิพากษาตอบแทนวันเกียร์มัตเนี่ยนี่คือถ้อยคำที่เขาจะพูดตกลงโปรงใจที่จะเดินตามรสูนแต่ด้วยเหตุเพราะเพื่อนและเห็นอะไรตลอด นักเรียนก็มาเรียนหันเหยือกานมาเตรียมตัวพร้อมมาเจอเพื่อนเลยนะดังที่บอกแล้วเพื่อนมันเพื่อนมันไม่ใช่คนเดียวจากคนนี้ไปคนโน้นอะไรต่างๆเพราะเพื่อนของเราเนี่มีเพื่อนอีกเราก็ไปเป็นเพื่อนของเพื่อนอีกมันก็เลยเป็นแก๊งของเพื่อนแก๊งของเพื่อนถ้ามันเป็นเพื่อนแบบที่ อุเบยบิป็นขลับเป็นเพื่อนกับอุบะบินไอบีบินอบดิมอิดเนี่ยนะครับอันตรายแต่คาสอนตรงนี้อันไอนบล้อนะครับอัหบบทเรียนนี้ไม่ใช่เป็นที่เกี่ยวข้องกับเฉพาะเรื่องอ่เฉพาะเรื่องแต่ว่ามันเป็นบทเรียนที่อ้านนะครับไม่ใช่ที่อันฟัสแต่ว่าอยู่ที่อันไนบล้อนะครับที่บทเรียนว่าอัลลอฮฺสุลต่านสอนเรื่องอะไร นะไม่ได้เดินตามไม่ได้เดินไปพร้อมกับถนนโซลส์ลาลิสเลมและไปยึดเพื่อนที่ไม่ดีไปนะครับไปคบเพื่อนที่ไม่ดีทำให้นะครับตัวเองต้องประสบกับชะตากรรมที่เลวร้าย 30. <ت ص في ق> وقال الرسول يا ربي إنكم تأخذ هذا القرآن مهجورا و كذلك جعلنا لكل نبي نعلو ومن المجرمين وكفى بربك هادي ونصيرا อีประเด็นนึงประเด็นที่ใหญ่มาก ประเด็นที่จะกลับเป็นเป็นความหายนะของอุมมะประเด็นซึ่งนํามาซึ่งความตกต่ําของอุมมะหลังจากที่อายะก่อนหน้านี้พูดไปแล้วไม่เอาไม่เดินไปพร้อมกับท่าน อ, สส อ, อัสล็อสล็อสล็อห์และอื่นๆหลงออกไปจากเส้นทางของอันกราด ไอ้เร่งนี้มาย้ำอีกครั้งหนึ่งบนสิ่งนั้นแหละครับอาลลันใอันดกรเรื่องอะไรอัลลอทารุสุลลอสซาเละัลลัมได้ร้องทุกตะะ่อรอสวาฮัลาว่ายาเรบโอ้พระผู้เป็นเจ้าของฉันอแท้จริงมูชนของฉัน มูชนของฉันแน่นอนที่สุดพวกกุเรศกุฟาร์มัชเชกินมูชนของฉันยังไงอัานคุรานอัลลอฮฺสวาฮ์ตัลลาประทานว่าอยู่ให้กับท่านนบีสัลลัลลอฮฺวะลัยฮฺนำมันคุรานมาประกาศแก่พวกเขาสอนพวกเขาบอกพวกเขาแต่มูชนของฉันหันหลังให้ไม่ยอมที่จะสะดับฟัง ไม่ยอมที่จะสะดับฟังเป็นเรื่องปกติธรรมดาใช่ไหมเป็นเรื่องปกติธรรมดาของคนปฏิเสธไม่ฟังอันกรานอยู่แล้วเขาไม่ฟังฟังเขาก็ไม่รู้เรื่องแต่บางครั้งเขาก็ลังเกลีย ด, ด้ลยซ้ำไป มูชนของฉันแต่ที่ท่านเลยมีเสียใจก็คือมูชนของท่านเองเขาไม่ใช่ใครที่ไหนเาเป็นเาเป็นเครือญาติของท่านนาบีสลลต่านอเลสลมเป็น Girl าาก Girl ุเรชกุเรท่านนาบีสลลววุลต่านอเลสลามาจากกุเรชท่านนบีสุลต่านอเลสลามาจากบันิฮาชซิมซึ่งเป็นต้นตระกูลเป็น ต, ตระกูลใหญ่ ต, ตระกูลที่เป็นผู้นำ ต, ตระกูลที่ได้รับเกียรติสูงสุด ต, ตระกูลที่ได้ถือกุญแจกาบะ ตระ ก, กูลที่ตระ ก, กูลที่กินสระคอไม่ได้มาดีหาชิมแต่หมู่ชนของท่านเนี่ยท่านจะมีใครรักหมู่ชนของเขามากกว่าคนที่อยู่ในหมู่ชนนั้นจะมีใครรักคนที่มีนามสกุลเดียวกันที่อะไรครับที่มีนามสกุลเดียวกันกับเรามากไปกว่าคนที่จะมいいีใครรักเรามากกว่าคน Stone, ท gedaan, uh hmm. ี่มีนามสกุลเดียวกันกับเราเครือญาติของเราหมู่ชนของฉันก็ ทานอัสลลอสซัลลัลลอฮุอะลัยซลลัมร้องทุกด้วยความผิดหวังด้วยความเสียใจว่าหมู่ชนของท่านเนี่ยไม่เอาอักรานหันหลังให้กับอันกรานทั้งทั้ที่ท่านอดีตวเขารู้จักท่านอลลอัลลัลลัมเลี้ยงท่านอลลอัลลัลลัมมาได้าไปแต่พวกเขาม่เอาอันกรานมหจุรอทุกหันหลังให้มหุฮิจร ตรงนี้นะครับที่มาฉลองในซีดอธิบายไว้ว่าหันหลังให้กับอันการ์นเนี่ยมันยังไงยกลูท้าอาลามุบิรันอันรลีฮีวะนบีฮีมุ a m ลลัลลอฮุอะลัยฮิวสัลลัมอนูกาลในคัซีดบอกว่าอัลลฮตัในอายะห์นี้บอกมุบิรันบอก เกี่ยวกับพระสูนของพระองค์และนบีของพระองค์คือท่านท่านคือมุฮัมมัดลลัลลอฮุอะลัยฮิแลมว่าท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิสแลมอันนเพว่าท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิลมกล่าวว่ายา ل ْ ك ُ ر ْ أ َวาโอ้พระผู้เป็นเจ้าของฉัน ถ้จิงมูชของฉันได้ยึดอันกรานี้ไ ว, ว้ข้างหลังสิ่งที่อยู่ข้างหลังวาซาลิกะอันนุชริกีนที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าบรรดามุชริกีนนั้นกาโนลายุสโวนาลิมคุรานวาลาอิสซาอูนาหูที่ นะที่อัลลอฮฺที่ท่านนาบีสโลไลย์สั่งกล่ า, ขขาวเช่นนั้นเนื่องจากว่าคนมุสลิมเนี่ยไม่สดับไม่ยอมสดับฟังอันกุรานไม่ยอมสดับสะดับฟังอันกุรานกามาห์ขล่าตอัลละนองจากไม่สดับฟังนะครับอายะอื่นยังบอกบอกยังไงครับ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن و ال ال ل ا ل غو في พนั้านบอกอัที่เสรบอกว่าเอ้ยอย่าไปฟังอักุรานแล้วจะมาเ ه า ا ลยฮาดัอย่าไปฟังอักุรานวันกอฟีอืมอะไรค่ะไปละวไปไปไปเล่นไปอะไรต่าง นะครับคือทำาันทำเรื่องอื่นซะยังไม่สนใจอันกาเรื่องอื่นยังมีสาระเรื่องไรสาระยังมีสาระกว่าอักรนีกฟังอักรนี่ก็สวาอัลล์นะไม่สนใจนี่พวกมันท้กล่าวอย่างนั้นว่การอิดะตลอลมุกราน ر ا ا ا ل م في غيره อัลลอฮ์ เพราะอันการทุกอื่นทุกอ่านเนี่ยครับอิจาตาลาอิจาตาลาอะลัยฮิมเมื่อเรูุล่อิลมอ่านอันกุรอานให้พวกเขาฟังเนี่ยอักรูอัลลวตลานส่งเสียงเอะอะโวยวายพูดจากันไม่ได้ยินจนกระทั่งว่าไม่ให้คือตัวเองไม่ฟังแล้วยังส่งเสียงรบกวนไม่ให้คนอื่นได้ฟังด้วยห้ามคนอื่นด้วย ฮัตตาลายสมาหูเจ้าก็ตั้งว่าคนอื่นก็ไม่ไม่ได้ยินเหมือนกันตัวเองไม่ฟังแล้วยังทำให้คนอื่นไม่มีโอกาสได้ฟังมันมีวิธีสารพัดที่จะไม่ให้คนได้เข้าใกล้อันกรานได้เรียนอันกราน ใช้ต่นในตัวเองอยู่แล้วที่จะหลอกลวงที่จะเกิดการเปรียบเทียบระหว่างการเนียนนันการกรานกับการไปทําอย่างอื่นเนี่ว่านันไหนมั น, ม, นมันจะดีกว่าเห็ทันที่สุดผลสรุปออกมาว่าอัรกรานเรื่องเรียนยงก่านนี่เป็นเรื่องของเด็กตาดีกาเป็นเรื่องของคนไม่มีงานทําเป็นเรื่องของนะคนแก่ๆไม่มีทางไปมานั่ง นะพยักหน้ามานั่งอะไรมาฟังอันกุรานาไรทํานั้นองนั้นแหะครับดูเป็นเรื่องที่ไร้สาระเป็นเรื่องที่ตามต้อยเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของคนไม่มีระดับที่จะเรียนอันกุร์านี่คือนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยของท่านอับดุลลอฮฺอะลียฮฺโมชันของท่านแต่พวกเรานั้นคือพวกปฏิเสธฟาฮาดะมินฮิจราเนฮี ไม่ฟังอันกรานเนี่ยเข้าอยู่ในความหมายเอานับแล้วหนึ่งคำว่าฮิจโรนะครับหันหลังให้หรือห an นีจากอันกรานในไม่เอานะครับคำว่ามหิยุโรเนี่ยวามหมายอันแรกคือไม่ฟังอันกุรานไม่ฟังนับไปเลยเดี๋ยวจะดูว่าเท่าไหร่ความหมายของคำว่าฮิจโรฮิจโรตุนกรานหนีจา an กอันกรานเนี่ย วัตรคินวตรคุน إيمان บีฮีวัตอสติกฮีมินฮิจรานีฮีไม่สัตย์ไม่เชื่ออันนี้ก็เข้าในความหมายของคำว่าอิตะโคซูฮัดันคุรานีมาฮยุรอความหมายดีทรวัตรวตรคุตัดับบูรีฮีวัตดฟะฮุมินฮิจรานีฮีอัลลอฮฺ เราที่เรียนด้วย <laughs> เราที่เรียนแล้วเนี่ยครับยังโดนเลยโดนเรื่องอะไรการละทิ้งไม่ใจตรองไม่ใคยควรไม่ทําความเข้าใจอย่างจริงจจังๆเนี่ยเข้าอยู่ในความหมายนี้ด้วยเฮ้ยกูจบแล้วสามห้ารอบจบแล้วสามรอบจบแล้วเท่านั้นรอบเท่านี้รอบเออได้กี่เที่ยวครับอาจารยตัมัดได้กี่ตัมัดยังยางนี่ อเหเนี่ยถ e. e. ah um ้าเราถ้าถ้าถ้าเราพูดเองเนี่ยมันอาจจะว่าพูดเข้าข้างตัวเองนี้ไอ้พูดไว้นะครับอธิบายไว้นะครับว่าตัูตาดับบุรีวตฟมวิจรานิิจรานกาละทิ้งไม่ทาการตดับบุทความเข้าใจความหมายศึกษาเรียนรู้ความเข้าใจอย่างเง่งจังเนี่ยเข้าอยู่ในความหมายของ หิจร oh, ja, ้องกันเท่าไรละฮะาฮะอ่าเอายางเขียนเท่าไรก็ได้วัรุลวัรุลอาลัยบีฮีว่มติซาลอววะมิรีฮีว่าตินาบีซาวจิรีฮีมินฮิจราน ไม่เอาคําสอนของอันกุรานี้ยิ่งหนักกว่าใหญ่ไม่เอาคําสอนของอันกุรานมาปฏิบัติไม่เชื่อฟังปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นคําสั่งและไม่ห่างไกลสิ่งที่จะเป็นข้อห้ามที่อยู่ในอันการานเข้าอยู่ในความหมายของฮิจร้อนฮิจระอนอิดตะคะดุฮะอันกราร์นมาฮิจรอย่างไม่หมดวัลอดูล أنه إلى غيره منشعر أو قول أو غناء أو لهو أو كلام أو ط ر ي ق ة ٍ مأخوذة وغيره من هجرانه اللهم ب 탁ถ้าไปอ่านโดยว่าไม่รู้หนังสืออะไรผมคิดว่าคนรุ่นใหเปียนน่าจะเป็นตับเสตรุ่นใหม่ ไม่ใช่เมื่อนะครับฮิจรรัตที่อันศัตรูที่เก็บคงไม่ใช่แห่งฮิจรรัตว่วาไงกันอัลอดุลอัลอดุนอัลโฎลอันหูนอันกว่าอันมีใช่ไหมลิกไม่เอาลิกไปไหนไปเอาอันอื่นเอาแชร์ บางคนดื่มดำกับเรื่องวรรณกรรมชาววีรียโอ้ลาอิลาอินลอ์ชะตุ้มเตยทั้งชีวิตให้กับการบทประพันธ์บทอะไรต่างๆที่ศึกษาเกี่ยวกับแฉวรรณกรรม ว่าวาเขาเอาเเลนหรือคำพูดของใครแบลบคำพูดนะที่เป็นเชฟที่เป็นคำพูดเอาไวหน้าเอินฉันดนรุรีไม่ออกากุร้ายไปดุรีโอ้นี่จริงแล้วใหญ่ยิงแล้วใหญ่เลยเอาละ การลเล่นเล่นนู่นเรื่องบันเทิงนู่นๆไม่เอาอนการานไปเอาดนตรีเอาเอาเชสนะเอาบทกวีเ อ, เอาคําพูดคําพูดคําพูดอย่างเช่นคําพูดของคนนั้นคนนี้นักปั่นมีเยอะแยะมากมายในโลกเนี่ยโอ้โหมันอ่านเป็นอะไรที่ลึกซึ้งมากเลยนี่คําพูดของเล่าปีอนี่คาพูดของปูพูดจินแล้นี่คาพูดของคงจื้อคำพูดเขาเล่นเขาเล่นเขาเล่นมากมายครับแต่เราจะใช้ชีวิต อะไรครับชีวิตตังทีวิตติวิตตัการศึกษาเนี่ยครับศึกษาไม่หมดของคําพูดของแก่คําพูดของมนุษย์แต่ละคนเนี่ยไปอ่านแล้วมันโอ้มันก็ดีเหมือนกันเราก็อ่านเหมือนกันหนังสือพวกนี้ก็อ่านเหมือนกันแต่ว่าเพื่อที่จะเรามีรากับเน่า ว, ว่าต้องสิ่งนําสิ่งเหล่านี้กลับมากลับมาที่จะทําทให้อิสลามมันยิ่งใหญ่เอามาทําให้อิสลามมันแจ่มแจ้งขึ้น บางทีเพราะว่าคําพูดของคนเหล่านั้นบางทีม in ันก e ็มันก็คืออะไรครับมันก็คือสัจธรรมสัจธรรมนะครับก็คือสัจธรรมที่อันกรานได้สอนในบางทางกาเลนไรนาเอ็น่ไหร่ละหนึ่งแชะสองคำพูดสามไรนาสละเรื่องบันเทิงเอากาลาเมนเกาเลนเกาเลนคาพูดกาลาเมนเรื่องเป็นเรื่องไปดาวนะกาลามเนี่ย เรื่องเป็นเรื่องเป็นราวอ่าเป็นเรื่องเล่าเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นบทความเป็นอะไรแล้วแหละตอนนี้ถ้าเขาเล่นเนี่ยมันคำคำสั้นๆประโยคสั้นๆกอของคนนั้นนะครับเป็นสุภาษิตเป็นคำปังเผยเป็นอะไรตอเนี้กอกอเล่นแต่ถ้าเป็นกะลาเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวนอูตรีกตินมะฮุจะมินไกรฮ หือแนวทางที่เอามาจากแนวทางอื่นอื่นไปจากแนวทางของอันกรานก็ไปนินจรารามเหมือนกันแนวทางอันกรานไม่เอาไปเอาแนวทางอื่นอันนี้ชัดมากชัดมากนี่ในสมัยของตานต บ, บีสโลอย์ إسلام มสมัยของตันต บ, บีสโลอย์ إسلام ตันต บ, บียังมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาไม่เอาเรื่องเหล่านี้แชทมีอะไรมีเขาก็ไปไปอะไรครับแชทของยาเฮเลียเนี่ยครับมี เขาไปเอาเรื่องเหล่านั้นท่านนาบียังมีชีวิตอยู่ น, นบียังเดินว่อนเปียนอยู่ในหมู่พวกเขาพวกเขายัางฮิจรรอตจากอันกรานเลยแล้วกับยุค ข, ของเราแะครับที่นบีไม่อยู่เนี่ยมันเต็มบ้านเต็มเมืองเรื่องเหล่านี้และที่สำคัญคนที่ฮิจรร อ, อันกรานเนี่ยไม่ใช่มุชริมีอีกต่อไปแล้วมุชริกีนี่ยยกไปตั้งอยู่แล้ว เรียกว่ามันคือมันจบไปแล้วมันมันคือชัดเจนเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ในเมื่อเขาไม่ศรัทธาในอัลกุรอานเขาก็ไม่เอาอยู่แล้วแต่ที่นบีสุลัยสาร้องเรียนต่อลอสวาฮตละอันเนื่องจากว่าความผูกพันที่ท่านนบีมีกับูหมู่ชนของท่านพวกเขาคือญาติพวกเขาคือพี่น้องของท่านพวกเขาคือลูกหลานของของท่านเนี่ยท่านท่านเสียใจตรงนี้แต่เราเนี่ยชาวมุสลิมที่จะรัอัลกุรอานด้วยสิ่งเหล่านี้ วัยรุ่นทั้งเท่าไหร่ที่อยู่หลงไหลอยู่กับผู้ใหญ่ทักเท่าไหร่ที่หลงไหลอยู่กับละครกับหนังกับละครกับอะไรต่างๆเรื่องบันเทิงบุคคลระอีกลําดับหนึ่งที่มีการศึกษาก่อนหลงไหลอยู่กับในเรื่องของการศึกษาเรื่องโครงกรเรื่องวรรณกรรมเรื่องคําพูดเรื่องอะไรต่างๆศึกษาทฤษฎีของคนนั้นเรื่องราวของคนนั้นหลงไหลอยู่ในนั้น เละเมื่อไปเทียบกับสิ่งที่เขาให้ความสำคัญกับการที่ในฐานะที่เราเป็นมุสลิมเป็นผู้ศรัทธานในอโลสฟาตาลาที่เราจะให้น้ำหนักกับอันกรุรอานให้มันขึ้นมาอย่างน้อยอยังยงเท่ากันนี่ยังไม่มีเลยครับอย่าว่าแต่จะให้อันกรุรอานเนี่ยมันมีน้ำหนักมากกว่าสิ่งที่เราให้ความสำคัญเนี่ยมันยังไม่มีเลยเท่ากันยังไม่มีเลย มันเรื่องอื Son ่นสำคัญกว่าอันกุรานและยังไม่เป็นฮิจราะยังไงนี่คือความจริงที่เป็นที่ประจับและเป็นต้นเหตุแห่งความตกต่ำของมุสลิมมันตกต่ำในดุนยานี้ด้วยตกต่ำแล้วก็ในอาคิราะฮ์อนยาซุบิลละานัสซัลลุลลอฮฺฝานัสซัลลุลลอฮฺแคนิมันมันน่านันข้าดิอัลามะยาชา أ ي خ ل ص ن ا م م ا ي س خ ط ه م ن م ا ي س م م ا ي س ه و إ س ت ع م ل ن ا ف ي م ا ي ر ض ي ه م ن ح ب ك م ن ح ك ت ا ب ه و ف ه م ه و ن ق ي ا م ب م ق ت ض ا ه آ ن ا ء ا ل ل ي ل و ا ل ط ر ا ف ا ل ن ه ا ر อลาอัลวัลละล้วงหิ้งที่ยั่วขบหัวแล a รับอันนั้นเขาเป็นคนที่มความรู้สึกที่ไม่อยู่แล้วนี่มันกระซิบในรังความรู้สึกที่ไม่อยู่หลังจากที่ได้อธิบายตรงนี้มาแล้วเนี่ยด้ต่ออัลลุฮาตาลาเอ็กรบด้วยต่ออัลลุฮาตาลาฟนลลอฮ อันคารีมอันมันนานอัน ق ด د ر อัลลมาเยชาห์นี่คำคุณดีมากที่จะขอถวาอัลลอฮฺผู้ทรงไว้ซึ่งอันคารีมผู้ทรงอะครับผู้ทรงเกียรติอันมันนานผู้ที่ทรงนะครับท้งการรุนผู้ทรงมีบุญคุณอัน ق ด د ر ผู้ทรงมีอำนาจเหนือสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์ ไอ้อยู่คัลลิสุนามิมมายุสเกตุให้อัลอสวาตลาช่วยให้เรารอดพ้นจากสิ่งที่จะสร้างความเป้ยโกรธของพระองค์เวสามินนาฟีมาให้เราได้ทำนะเพรไงให้เราไ ด, ไ, ดได้ได้ได้ทำในสิ่งที่พระองค์ทรงพึงพอใจในจํานวนการกระทําที่พระองค์ทรงพึงพอใจก็คือมินเฮลิกิตาบีว่มันเข้ากับงานของท่านบดี๋ ที่จะให้ที่จะให้รักษาก็คือหน้าที่ของเราคือให้ท่องจำก็ได้รักษาก็ได้รักษาอันกุราลรักษาอันกุร์ลรักษาในการท่องจำรักษาในการท่องจำยังไม่พอว่าฟะามีเหและเข้าใจขอสิ่งนี้วันิยันแล้วก็ ยืนดํารงไว้บิมักตาต้ากูอาณนาะนะดํารงไว้ซึ่งคําสอนของอันกรานทั้งกลางคืนและกลางวันนะพยายามพยยามในความหมายที่กยยามมันเล่นก็ได้พยายามบิมักตาต้าูก็คือว่ายืนอะทําหน้าที่ตามที่อันกรานเรียกร้อง ทั้งกลางวันและกลางคืนทั้งกลางคืนและกลางวันอัลาวฮฺลลวฮินละดีอยู่เขมูให้เป็นไปตามที่อัลลอฮฺสวาตัลารูปแบบวิธีการที่อัลลอฮฺสวาตาทรงรักและพึงพอพระทยัยอินนหูการีมุบะฮะทายจิงพระองค์เป็นผู้ทรงเกียรติและเป็นผู้ทรงให้ที่ยิ่งใหญ่ะฮเป็นผู้ให้ อล๋อครับทำยังไงนะครับที่จะฟื้นเอะยะฟื้นให้กรานกลับไป อ, อยู่ในหัวใจของคนให้กราอย่าเข้ามาอยู่ในสังคมแร้ที่สุดว่าเราเองถามตัวเราเองว่าเราให้ความสาคัญกับงานกราดขนาดไหน ช่วยกันคิดช่วยกันหาแนวทางถลาเาการโบราณจะต้องเกิดขึ้นเกิดขึ้นอย่างยริงจังอย่าไปนึกถึงภาพมากโรงเรียนเราก็ทําท่าอยู่หลายทีแล้วก็แ ต, แต่ยังยังยั ง, ย, งยังไม่เป็นจริ ง, ง, งจงยังจังไม่ต้องมีมิชลิส ต, ต่อเนื่องที่เด็กๆได้เรียนอารโบราณเหมือนกับที่เราจัดนะครับในช่วงเอติกราบเนี่ย สักวันหนึ่งสักเวลาหนึ่งพวกเราเองครูบาอาจารย์เองอะไรต่างๆได้เดียนจะด้เรียนด้วยอันนี้ก็ต้องคิดไปอย่างต่อเนื่องไม่งั้นเราก็จะไปตกไปอยู่ยาอะไรแต่อะไรครับยายารับอ่ะนะหสูยารบอิกเอามันรานฮาดันคุรามุรเพราะหลักสูตรเรามันมันอื่นจากการปรานมันเยอะอยู่แล้ว เรก็ไปมุง่งไปมุง่งไปมุง่งไปมุง่งไปมุงปม่งแล้วเราก็คือเราก็สร้างสวรรค์สร้างวิมานในอากาศไปสร้างอะไรต่างๆไปไปไปไปเรื่อยซึ่งเราก็ต้องทำนะครับแต่ว่าถ้าการทํกากระทําของเราเนี่ยทำให้เราเนี่ยโลดดุ้นอันนีอน้อันกิจาวิลาทารให้เราเชื่อว่าอากอันกราเนี่ยมันมันต้องมหาสบักกันอย่างบ้างดังนั้นจะเป็นโรงเรียน จะเป็นโรงเรียนที่ไปมีความเลิศในทางไหนก็ตามแต่แต่ว่าตรงนี้ต้องไม่หลุดไปจากตรงนี้ไม่ต้องหลุดไม่ต้องไม่หลุดไปจากเส้นทางนะครับเส้นทางที่มารอสุลนะที่จะต้องเดินไปพร้อมกับระซูลและจะต้องไม่ลืมอัซิกรไม่ลืมอันกรานและจะต้องไม่ยึดให้ทำให้อันกรานนั้นเป็นมหิยุรจะเดินเอ เพราะนั้นเป็นโจทย์ใหญ่เป็นโจทย์ใหญ่ที่อัลลอฮฺสุอัลตาลาเหมือนอัลลอฮฺสุอัลตาลาได้ตกภาระให้กับพวกเราในฐานะคนที่อยู่ในวงการศึกษาอยู่ในวงการที่นะครับที่อยู่ในแถวหน้าของสังคมกับแถวหน้าเนี่ยไม่ใช่ว่าผู้นำแถวหน้าในการที่จะเรี่ยเริ่มคิดในเรื่องของอิสลามในเรื่องของการพื้นพูอิสลามในเรื่องของการดาราวะในเรื่องของการเรียกร้องชวญชวนเราก็มีภาระมากกว่าคนอื่น มีภาระมากกว่าคนอื่นโดยเฉพาะภาระที่ยิ่งใหญ่นะครับที่อยู่เบื้องหน้าเราคืออันกรานที่จะต้องที่จะต้องขนะับตุ้มเทนะครับเมื่อกีท้ท่านเอเม็มมุนการซีไ ด, ไ ด, ได้ได้กล่าวไว้ในหนังสือครับอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ต้องตราวไว้ในตรงไหนก็ได้ที่อายะนี้ที่ที่เอเม็มมุนการซีได้อธิบายไว้นะครับมันครอบคุมจริงๆแล้วมันได้เห็นภาพ ของสังคมเราว่าอยู่ตรงไหนสังคมเราเป็นสังคมที่อยู่ในอายะนี้แหละครับและบางทีเราเองก็ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากว่าอยู่ในอายะนี้เหมือนกันอายะที่สามสิบของอันกุราาอานนะขรับสุระอัลฟุรควน แล้วอัลฮตลาทท้ายตรงนี้ว่าว ك ذ ل ك ج َ ع ก ل ْ ن َ ا لِكُلِّ ن َ م น ي ٍّ ع ุ د ُ و ิ ا مِنَ ا ل ْ م ُ ج ْ ر ก م ِ ي ن َ و َ ك และในทํานองนั้นมันก็จะปลอบใจนิดๆอัลลอุวาตัลลาปลอบใจนิดๆไว้เรื่องนี้มันกะลลิก Allah swt ล ja ิขุลินบีอินอนเจาะน์น์น ja ์ลิขุลนบีอิน Allah swt ตัดเรื่องของ Allah swt ให้มีกับทุกๆนบีท่านนบีเนี่ยต้องเผชิญหน้ากับกับกับอะไรครับอาดูวัมินันมุจิริมินอาดูวัมินันมุจิริมินคนที่ดีที่สุดต้องเจอกับคนที่ชั่วแล้วคนที่แล้วอัลฮัมดุลิลลาฮ์ที่คนที่ดีที่สุดอย่างนบีเจอกับคนชั่วชนะได้ ช น, นะด้วยความดีของท่านช น, นะด้วยความยำเกรงต่อลอสสวาหัตลาที่ท่านมีช น, นะด้วยอาวุ ธ, วธที่ลอสสวาตลาให้มาคือว่าอยู่ของลอสาัตลาชนะด้วยพลังแหง่ง إ ي م านความใกล้ชิดกับต่อลอสวาหัตลาแต่ท่าเราละครถ้าเราต้องเผชิญหน้ากับอาดูวัฒเมนันมุจริมนได้ละราก็ไปครั้งที่เราแพ้ เจอคนบาปแล้วเราแพ้เพราะเราไม่เข้มแข็งพอดังนั้นต้องสร้างความเข้มแข็งสร้างความเข้มแข็งในเรื่องของอิมานและเส้นทางที่จะไปสู่อิมานนะครับผมคิดว่าสื่อที่ดีที่สุดคืออัลกุรอานอัลกุรอานประกอบอิบห์ ไม่ช่วงอิติการเราออันกรานด้วยราอิบะดด้วย่อักรานอิบะดอันกนบะดาอักรานอิบาดเรียนอันกรานรู้ว่าทางมันเดินยังไงเดินเดินอิบะดาสร้างความใกล้ชิดกับลอสวตลาเดินไปกับอักรานอิอิบะดก็ไม่ผิดเพี้ยนอัลฮัมดุลิลนะวิธีมันปรากฏชัดเจนแนวทางปรากฏชัดเจนเพราะว่า เราอาศัยความรู้ที่เราได้รับอันกรานเนี่ยเป็นการกําหนดเส้นทางของเราขีดเส้นทางของเราร่างเส้นทางร่างโครงการที่เราจะเดินไปข้างหน้าด้วยคําสอนด้วยกรอบที่อันกรานได้วางไว้แล้วก็เดินไปตามนั้นหวังว่านี่คือทางออกที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับเรามันอาจจะใช้วันเวลาที่ยาวนานแต่ว่ามันก็คือทางนี้อนุวัฒมินันมุจริมิน นบีมีศัตรูจากบมุจิรินีแต่เราก็ไม่ได้พ้นจากตรงนั้นเลยแต่เราที่ต้องที่ต้องระวังต็คืว่าเราเรา อ, อนแอเราอ่อนแอถ้าเจอคนชั่วเมื่อไรเราอาจจะแพ้คนชั่วแตท่านนบีเอาคำโดยลินละนะครับาสามารถที่จะเอาชนะมุจิรินีว่ากับฟาบิรอบบิกาฮาดียนเต้ลสุวรรณตะลาก็บอกวว่าวิธีที่เด็ดขาดที่จะ ผ่านพ้นวิกฤตในการเผชิญหน้ากับอัมโมเรุีนไปได้ว่าเกิดขึ้นอัลลอฮฺสุาตลอัลลก็พาเบียร์บีกะว่ากาแฟเพียงพอแล้วนะครับกับพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าที่จะเป็นผู้นําทางและช่วยเหลืออัลลอฮฺเป็นผู้นําทางและก็ช่วยเหลือที่จะให้ฝ่าวิกฤตในการเผชิญหน้ากับอัมโมเริมีนไปด้วยครับไปได้นะครับอัลลอฮฺสุฮาตลาจะเป็นผู้นําทางและช่วยเหลือเพราะฉะนั้น การที au, ana, o, ่เราจะสามารถเอาชนะบนสมรภูมิกับการเผชิญหน้ากับคนชั่วความชั่วความเลวร้ายนั้นคือการความใกล้ชิดกับลอตลาเราชิดอาลาลจะนทางเราแล้วก็ให้ทางจเาาะวาเาอเาะาะวะอาาจะาเากา้ก่เาะาะกาเากะาจกาะกาะกาอา นักศิษย์นัติบายว่าในยานี้ในธรรนองนั้นยาน่าลกุลลน น, ลลนบียินอดุดวนมินันบิจริมินอัลลอฮฺสุลตัดอัลลอฮบอกว่ า, าในธรรมนองนั้นแหละเราได้ทําให้ทุกๆนบีทุกๆคนนั้นนะครับ <c oughs> มีศัตรูนะครับจากหมู่คนบาส น, นะครับกาซาลิกการก็คือว่าหมู่ชนก่อนหน้านี้ก็เหมือนกับเจ้านัอะไะเจอเจออย่างนี้เหมือนกันอัลกมัดนะครับยาน่าอัลลอฮฺจ่าเลิกุลลนนบียนววินอุดวเราว่าอัลลอฮฺสุลตาดอัลลอฮ์ให้ มีศ <câ> ัตรูนะครับจากคนบาปเนี่ยนะครับมากนะมารบกวนท่านนบีสโลลอะยะดอุนนสอิลาลลิมาเรียกร้องชวนชวนผุคนไปสู่การลงผิดของพวกเขาว่ากุฟริห์มจากลัทธิการปฏิเสธของพวกเขากับไปสู่ลัทธิการปฏิเสธของพวกเขากมกลาตอละกาิกจานาลิุลนบินดูอันชอตินอันอินวัินนะครับในอยอื่นก็บอกว่า นะครับอาดูศัตรูนี่มาจากมารร้ายที่เป็นมนุษย์แล้วก็ยินครับ ا ل ห ه ตะคอลฮะฮุนะวกฟาบรับบิกาฮ ادي เยวน اصرةأي لمن يتبع رسوله وعامن بكتابه وصدقه واتبعه فإن الله هاديه وناصهاديه وناصره ف في الدنيا و ا ل นะครับ หมายความว่าสำหรับผู้ที่ปฏิบัติตามระซูลศรัทธาในคำพีในอันกุรานนะครับของพระองค์นะครับเชื่อและก็ปฏิบัติตามอนันการ์นเชื่อและก็ปฏิบัติตามอันกุรานแท้จริงอั Allah ลลอฮวอัลลอจะนำทางเขา ให้ช e ่วยเหลือเขาทั้งในดุนยาและการโรฮาดีวานซีรออันน้มชชิกีนกานสุดดูนันนัสอันินอิติบนอันกุรอานเพราะคนมชชิกีในสมัยเขทรสุดลัสรสลามเนี่ยขัดขวางผู้คนไม่ให้ปฏิบัติตามอันกุรอานหรอัลลาฮ์จะดีอะฮัดบิฮเพื่อที่จะไม่ให้คนได้รับทางนำจากอันกุรอานหตอ่ตกลบะตกลบะตรีกุลตกลบะตรีกุม เอาลตลบริกัดพวกเขาริกัดอนอุกุรอานเพื่อที่าริกัดทรกอันอุกุรอานเพื่อที่จะให้แนวทางของพวกเขาชนะแนวทางของอันกุรอานเลยขัดขวางผู้คนไม่ให้สื่อสารกุรอานนะครับบาฮาดาาฮาก้อนวะกะซาลิกจนนาเลุลลีนบบีินอาดุวัม่นันมูริมีนครับสำหรับวันนี้เราก็เอาไว้นะครับเพียงเท่านี้นะครับก็ อินชาอัลลอฮ์ครับมีเวลาอีกก็เราก็จะว่ากันต่อนะครับแต่ถ้าไม่จบในเดือนรอมฎอนก็ก็ว่ากันต่อนอกรอมฎอนอินชาอัลละฮ์เจนกาอัคูลขลฮะวัซัรุลลอฮะลวะุคุมอฟาวิดอัฟาวิดอมลลอฮินะฮุรุมินบดลลัลลอฮลลมุฮัมมดะะลาอลอัฮามน